เขต้องลากขึ้นจูงขึ้นมาหลับมานอนอะไรเป็นต้นพ่อแม่อาจจะเอื้อเฟื้อถึงขนาดที่แล้วก็ยังไงก็ลูกเราแต่ในทางศาสน า, า, าเราไม่ได้เป็นลักษณะขนาดนั้นอะไรเนี่ยนะอันถ้าอีกฝ่ายหนึ่งขาดเมตตาต่ออีกฝ่ายหนึ่งบุคคล น, นั้นก็กลายเป็นบุคคลที่ไม่สัปปายะต่อกันคือเรียกว่ากลายเป็นบุคคลที่ไม่สัปปายะเนี่ยนะกลายเป็นว่ามาสร้างความรำคาญให้กลายเป็นว่ากุศลธรรมไม่ค่อยเจริญและเนี่ยนะเอาภาระมาทับถมให้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 เอื้อเฟื้อในการและกันใช่ไหมนะทั้งกระหวะโดยกายกรรมต่อหน้าและรับหลังนะต่อหน้าก็คือมีกิจอะไรต้องช่วยก็ก็สามารถช่วยกันได้ก็ช่วยก็มีพระรูปหนึ่งเนี่ยนะท่านเลิกสอนก็เหตุผลว่ า, าลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนะที่ที่ได้รับคําสั่งสอนจากท่านไม่เคยเอื้อเฟื้อช่วยเหลืออะไรท่านเลยเนี่ยนะไม่เคยสนใจว่าอาจารย์ทําอะไรอยู่อย่างไรเนี่ยนะ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 ก็บอกว่าไม่มีค่าควรที่เขาจะ อ, าอะไรนะดําเนินปฏิบัติดำเนินตามปฏิบัติตามเพราะแค่นี้เขายังไม่เอือ้อเฟื้อกับเราเลยเนี่ยนะขนาดว่าดูซิว่าเอาทำทั้งเหน็ดเหนื่อยด้วยอะไรด้วยและที่ทําก็ไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวของอาจารย์อะไรเนี่ยนะนะซึ่งมันก็เป็นประโยชน์ส่วนรวมทั้นถ้าหากว่ า, าผู้ที่เข้าไปศึกษาขาดความหวังดีต่อผู้ให้แล้วผู้ให้จะให้อะไรได้เนะี่ยเพราะนนั้บุคคลที่ขาดความเมตตาจากครูอาจารย์ทั้งหลายก็ ยากที่จะประสบความเจริญเนี่ยนะพั้นน้อยมากอย่างเขาบอกว่าบุคคลที่กลุ่มหัวดือแข็งดีถือตัวเย่อหยิ่งพยองลําพองทั้งหลายเนี่ยโดยมากก็ไม่มีความเจริญในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเนี่ยนะนั้นถือว่าไม่มีความอ่อนน้อมไม่มีคาระวะเนี่ยนะการมีสัมมาคาระวะนั้นเป็นมงคลเป็นเหตุแห่งความเจริญทั้งหลายเมื่อขาดสัมมาคาระวะเป็นต้นความเจริญจกมีมาแต่ไหนเนี่ยนะ แต่บางคนเนี่ยขนาดที่ลําพองอยู่ก็ดูเหมือนเจริญเพราะมันพองอยู่ด้วยอํานาจเหมือนลูกบป่เนี่ยเหมือนพองอยู่ก็เหมือนก็ว่ายังไม่ยังเจริญเติบโตยั ง, งโงกเงยแต่ถ้าหากว่าวันไหนที่ตัวเองอําหมดความลําพองใจลงเนี่ยนะก็เรียกว่าเสื่อมเสื่อมจนถึงขนาดว่ากุศลไม่เหลือเลยเนี่ยเหลือแต่อบาปอากุศลธรรมทั้งหลาย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 มันอันนี้สําหรับพระภิสุทั้งหลายเนี่ยนะถ้าสาหรับเครือขัดเนี่ยนะถ้าหากว่าจะทําเมตตากายกรรมทาอย่างไรสําหรับกิจของเครือขัดก็เช่นการไหว้พระเจดีย์การไหว้ต้นโพการนิ ม, มนต์พระภิกสุสง์การพบเหล่าพระพิสุที่เข้าไปบินเข้าไปในบ้านไปบินฑบาตต้อนรับบาตไปรับบาตไปปูอาสนะอะไป เดินตามหมายาว่าไปคอยดูแลหรือว่าทาน้ํามันให้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าเมตตากายกรรมของเครือขัดทั้งหลายอันนี้เป็นเมตตากายกรรมทีนี้ต่อไปเมตตาวจีกรรมบอกว่าสำหรับเราพิสุการสอนอาจารยการสั่งสอนศึกขาสามการสั่งสอนศิกขาบทการสั่งสอนพระวินัยบัญญัติการบอกกรรมฐาน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 รับความสุขรับประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเขาจะได้รับประโยชน์โลกนี้ได้รับประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งเขาจะได้เจริญด้วยศีล ส, สมาธิปัญญาเขาจะเจริญด้วยศรัทธาวิริยสติสมาธิเขาจะเจริญด้ว ย, ว ย, วยโพชทธชงองค์มครรคเป็นต้นมันก็เป็นการหวังขอความหวังดีความปรารถนาดีในการแสดงธรรมนั้นเรียกว่าเมตตาวจีกรรมนะเมตตาวจีกรรมส่วนเมตตา วจีกรรมของครือข่าทั้งหลายเช่นคําพูดเชิญชวนว่าพวกเราจะไปไหว้พระเจดีพวกเราไปไหว้ต้นโพพวกเราไปฟังธรรมพวกเราไปบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนหรือพวกเรามาร่วมกันสมาทานประพฤติสุจริตสามประพฤติกายสุจริตประพฤติวจีสุจริตประพฤติมโนสุดจริตไปถวายสลากกพัดถวายผ้าอาบน้ําฝนถวายปัจจัยสี่แก่สงฆ์นี่มนสงฆ์มาจัดถวายของเคี้ยวเป็นต้น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 เก่งมากเลยนะสอเสียดเนี่คือเนื่องจากว่ามีพระสองรูปพ้าสองรูปเนี่รักกันมากรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องติดตามกันมาเป็นเจ็ดปดสิบปีแล้วนะสมัยก่อนคนอายุเป็นหมื่นปีเนี่ยสมัยศาสนาพุทธเจ้าองค์ก่อนท่านรักกันมากองหนึ่งอายุพันษาห้าสิ้าอีกองหนึ่งพันษาหกสก็อุปถากคอยรับใช้กันเป็นอย่างดีเลยนะ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 ก็เลยจะบอกผมมีเรื่องนะมันสําคัญนะแต่ว่าเอถ้าบอกแล้วมันจะเสียหายไม่บอกดี ก, กว่าะทำนะนะก็ไปพูดอย่างนี้อยู่สองสามครั้งแล้วก็ไปหาองค์แรกบอกผมไม่มีอะไรจะบอกค่านนะมีเรื่องสําคัญมากเกี่ยวกับเรื่องอีกองค์หนึ่งนะอแบบชี้แนวนิดหน่อยนะมีเรื่องสําคัญมากเกี่ยวกับเรื่องอีกองค์หนึ่งอนะไหนเรื่องัเป็นยังไงเหรอมันไม่บอกดี ก, กว่า หลายครั้งเข้าอ่ะนะอีกฝ่ายหนึ่งใจจดใจจ่จอเขาเรียกว่าตอบย้ำไมห่หลายๆครั้งเข้าในที่สุดก็บอกว่าเนี่ยองนั้นอ่ะเขาบอกว่าถ้าผมจะคบคุณเนี่ยนะให้ระวังหน่อยนะองค์นี้ไม่แน่นอนอนะองนี้ไม่แน่นอนหมายว่าไม่ดีเต็มร้อยนะมีความเสียหายอยู่ในตัวอกีกหลายอย่างด้วยกันวันถ้าท่านจะไปครบองค์นั้นเนี่ยท่านต้องคิดให้ดีนะแม่เขาแนะนำผมมาอย่างนี้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 อ่าแล้วแล้วอ่าแล้วอีกถามอีกฝ่ายนึงก็ถามอะแล้วผมเคยทําอะไรผิดไหมท่านเคยเห็นไหมอะไรไหมผมก็ไม่เคยเอ่ะงั้นก็แสดงว่าองค์นั้นอายุถ้าเราแตกกันเนี่ยนะเสียใจมากนะกอดคอกันร้องไห้เหมือนกันตอนหลังก็มาไล่องค์นี้ตายตอนหลังเนี่ยนะสอเสียตายแล้วกเ็เกิดเป็นเปรตปบหัวเป็นหมูนอนเนี่ยเยิ้มเต็มตัวไปหมดก็เปรตปากหมูเหมืองกันสุกระเปรตเนี่ยนะ